สรุปว่าถ้าชาติก่อนมานะไม่เคยเจริญสมถาวิปัสสนามาแล้วชาตินี้ก็ไม่เจริญสมถาวิปัสสนาบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาไม่ได้หรอกเนี่ยนะอันผู้ที่บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาได้ก็เนื่องจากชาติก่อนก็เจริญสมถาวิปัสสนาเอาไว้เป็นอย่างดีมาชาตินี้ก็เจริญสมถาวิปัสสนาไว้อย่างมากกลุ่มนี้ยจะได้ปฏิสัมพิธา เหตุและปัจจัยทั้งสองนี้รวมกันช่วยอุปถรัรมภ์ปฏิสัมพิทากระทำให้ผ่องใสได้ด้วยประการทนี้มันผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนก็อาศัยเหตุะนะบุญเก่ากับเหตุใหม่ะนะเหตุใหม่ยังมีอาจารย์พวกอื่นอีกได้กล่าวไว้ว่ากฎประโยคะาหนึ่งพาหุสัจจะหนึ่งเทศภาษาหนึ่งอาคมหนึ่งปริปุชชาหนึ่งอธิคมหนึ่งครุศาสนิสัยหนึ่ง และมิตรสมบัติหนึ่งรวมแต่ประการนี้ล้วนเป็นปัจจัยแก่ปฏิสัมพิธาเนี่ยนะส่วนคาว่าปุประโยคะคำแรกก่อนนะก็เหมือนกันที่กล่าวหมายถึงการบำเพ็ญส ม, มถาวิปัสสนาจนได้สังขารุเปกขายานเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเกือบจะบรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าปุประโยคะ อย่างที่สองความฉลาดในศาสตร์นั่นและศิลปายุานะทั้งหลายเชื่อว่าพาหูสัจจ์นั้นคำว่าฉลาดในศิลปะศาสตร์นั่นหรือศิลปายุทธะนะผู้นี้คนที่มีมีการเรียนเรียนอะไรมาเยอะๆนะพวกนั้นน่าจะฟังทำง่ายะนะคนที่เป็นพาหูสูตรเรียนมามากอยู่แล้วนะฟังทำเนี่ยง่ายไหม ถ, ถ้าเทียบทั่วๆไปนะ สํานวนว่าเป็นชาวบ้านไม่เคยเรียนอะไรมาเลยกับจบปริญญาเอกแล้วมาฟังธรรมเนี่ยนะสองคนเนี่ยใครจะฟังเร็วกว่ากันก็คนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยนะก็จะเรียนเข้าใจง่ายกว่าคนที่มีการศึกษาชั้นล่างๆเพราะฉะนั้นพหูสัจจะความเป็นพหูสูตรเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเข้าใจเนื้อความได้ก็อาศัยการเปรียบเทียบเพะั้นเขาฟังบางอย่างแล้วเข้าไปเปรียบกับบางอย่างเขาจะเข้าใจทันทีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมามากฟังมามาก ถึงวิศิลปะวิชาใดก็ตามที่เป็นความรู้ที่มาตรฐานนะเว้นแต่เรียนคาถาอาคมมามากอันนี้ไม่แ น, น, น่แต่ถ้าเป็นพูดถึงวิชาทั่วๆไปเนี่ยแล้วจะทําให้ศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าง่เข้าใจง่ายเนี่ยนะส่วนความฉลาดในภาษาหนึ่งร้อยภาษาความฉลาดในภาษามคตเนี่ยนะถือว่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ศึกษาธรรมะเข้าใจง่ายหรือว่าปฏิสัมพิฐานเนี่ยดี ก็อย่างว่าฉลาดร้อยภาษาแต่ไม่รู้ภาษาบาลีสักอย่างเดียวนี่ก็ก็ยากเหมือนกันนะแต่ถ้ารู้บาลีด้วยรู้ภาษาอย่างอื่นด้วยจะเข้าใจธรรมะง่ายขึ้นแต่ทีนี้พูดถึงผู้ที่มีปฏิสัมพินธ์นะอย่างนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าใครมีบุญเกิดในสมัยพุทธกาลนะบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนะี่ยพรองใช้ภาษามคตเป็นปกติแต่คนทุกคนฟังแล้วจะเป็นภาษาของตัวเองเนี่ย แล้วจะไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยเนี่ยนยะแปลว่าทุกคําที่พูดนะั้นมันแปลไปสู่ภาษาตัวเองโดยธรรมชาติเนี่ยนะด้วยด้วยบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพฉะนั้นทุกคนสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังเขาจึงเข้าใจง่ายเนี่ยนะเขาจึงมีการตรัสรู้ธรรมเขาจึงบรรลุได้เพราะว่าฟังแล้วเป็นภาษาของเขาเองแต่นี่นะของเราก็อย่าว่าได้ฟังเลยนะเห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เห็นเนี่ยนะก็กลุ่มบุญน้อยทั้งหลายแหละนะพูดถึงบุญน้อยก็เลยท้อเลยนาะ ถ้าท้อก็ถ้าจะบรรลุก็คงจะได้บรรลุแ ล, ล้วล่ะเพราะฉนั้นผู้ที่ฉลาดในภาษาหลายๆภาษาเนะี่ยพวกนี้จะทําให้ได้ปฏิสัมพิทธ์เนี่ยนะนะแต่ว่าอย่าลืมนะพิเศษต้องเป็นภาษาบาลีเนะเพราะทำมั่นอยู่ในภาษาบาลีใช่ั้มอริยศาสต ร, ร์นี่เป็นคําสอนที่ที่เกิดจากภาษาบาลีคําว่าภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงภาษามคตเนี่ยนะนะแต่ศัพท์ว่าบาลีนี่หมายถึงพระไปิฎกแต่ถ้าเป็นภาษาเนี่ยเป็นภาษาของชาวมคตเนี่ยนะ ส่วนการเรียนพระพุทธพจน์โดยที่สุดแม่เพียงโอปัมรมวัชื่อว่าอาคมอาคมนะเรียนวักเดียวอะนะครับศึกษาและปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลได้ก็ชื่อว่าอาคมแล้วละ่ะอาคมนี่เป็นชื่อของปริยัติเขามีอยู่สองคำอะนะอาคมกับที่คมนี่เป็นสับใกล้กันผู้ที่มีอาคมนี่แปลว่ามีปริยัตมีทธิคมก็คือมีการบรรลุมรรคผล นั้นคำว่าอาคมเนี่ยนะมีอาคมหรือมีการเรียนพุทธพจน์ท่านบอกว่าแม้เพียงโอปัมมะวัคโอปัมมะวัคก็คืออย่างในมัชชิมนิกายนะมีวัคอยู่วัคหนึ่งชื่อว่าโอปัมมะวัคมัชชิมนิกายมีอยู่ร้อยมีอยู่สิบห้าวัคนีมีอยู่วัคหนึ่งชื่อว่าโอปัมมะวัควัคที่ขึ้นต้นด้วยกะกะจูปมะสูตรเนี่ยนะวัคนั้นแหะนี่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระเถระอยู่รูปหนึ่งท่านรูปเนี้ยท่านแสดงธรรมแต่คาถาเดียว ก็เลยเรียกชื่อท่านว่าเอกุฏธานะเถระหรือว่าเอกุธานเนี่ยนะพูดอยู่เรื่องเดียวอ่ะเทศอยู่เรื่องเดียวท่านเทศอยู่ว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู a, ่ในทางแห่งโมนะปฏิบัติผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมื่อแปลเป็นภาษาเราๆง่ายๆว่าท้าวหันเนี่ยท่านไม่มีการเศร้าโศกนะ พระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีการเศ้าโศกอีกต่อไปคือพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตมั่นคงด้วยเนี่ยนะมั่นคงด้วยอรหัตผลสมาธิถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงเป็นมุนีคือมีโมนยธรรมโมนยธรรมทางกายทางวาจาและทางใจเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอนิธารมระงับบาปอากุศลได้ทุกชนิด มีสติในการทุกเมื่อท่านจะไม่มีการเศร้าโศกท่า น, นก็บอกว่าพ อ, พ, อ, อ, อพระเอกรุฑานาะุเถระท่านแสดงอย่างนะี้นะเทวดาอนุมโมทนากันลั่นตาไปหมดเลยก็ก็มีตอนหลังว่ามีพระที่ทรงพระไตยปิกไปเทศบ้างเทศทั้งคืนนะเทวดาแม่นุมโมทนาแม่แต่คนเดียวเข้ามาเงินถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น คือผู้ที่เขาจะอนุโมทนานะโดยเฉพาะเทวดาทั้งหลายนะเขาจับจิตที่เป็นสมุทฐานที่พูดเป็นหลักเนี่ยนะเขาจะไม่ถือเอาพยัญชนะที่พูดออกไปเป็นหลักเขาดูที่ความสุดจริตใจของผู้พูดเป็นเกณฑ์เนี่ยนะพูดประโยคเดียวกันนะพูดด้วยมานะกับพูดด้วยด้วยความสุดจริตใจเนี่ยนะนะแตกต่างกันนะพูดด้วยมานะก็พูดเพื่อจะข่มคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พูดด้วยมานะเนี่ย แกไม่รู้หรอกฉันรู้เนี่ยฉันรู้ว่ากุศลจิตมีหนึ่งยี่บอ็ดวงอย่างเงี้ยนะแกนี่โง่สู้ฉันไม่ได้เป็นตัวไหนคำพูดลักษณะเนี่ยก็พูดด้วยมานะถามว่าคนทั่วๆไปที่พอฟังออกนี่จะอนุโมทนาไหมไม่ไม่อนุโมทนาเพะนั้นเขาบอกว่าผู้ที่จําเยอะแต่ว่าไม่ได้แสดงด้วยกุศลจิตไม่ได้เกิดจากกุศลจิตเป็นสมุทฐานเทวดาทั้งหลายไม่อนุโมทนาเพราะว่าเทวดาทั้งหลายเขาเขารู้ว่าละจิตใครคิดอะไรเขารู้ แตนะ่ถ้าไม่ได้ทําด้วยกุศลจิตจริงๆเนะี่ยท่านก็ไม่อนุโมทนาทีนี้อย่างพระเอกะเอกุเอกะอุทานเนี่ยท่านแสดงแต่คาถาเดียวเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีอะไรเป็นสมุทฐานในการแสดงธรรมมีมหากิริยาเป็นสมุทฐานที่แสดงธรรมเพราะนั้นเทวดาเขาจึงอนุโมทนาทีนี้ก็ก็มีว่าพอพ ร, พระที่ไปพระที่ส่งพระไตรปิฎกเนี่ยไปเทศแข่งเหมือนกันเะ ก็คือเหมือนไปแข่งเผื่อว่าเทพจบเทวดาจานุโมทนาบ้างเทวดาเขาไม่อนุโมทนาลูกศิษย์เนี่ยโวยวายลูกศิษย์พระที่ทรงพระไตไปดกันนะก็ไม่เคยชอบบอกว่าพระแก่รูปเดียวเนี่ยเทศพคาถาเดียวเทวดานี่เห็นแก่หน้าอนุโมทนาลั่นตาไปหมดอาจารย์เราพูดแล้วไม่เห็นมีใครอนุโมทนาเลยอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องตอนหลังผมก็แสดงว่าเราไม่เรียกคนที่เรียนมากหรือพูดมากว่าผู้ทรงธรรม เนี่ยนะส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วอะแทงตลอดสัจจะคืออริยสัจได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยนะคือไม่ได้ถือเอาฟังมากเรียนมากอะไรมากเป็นเกณฑ์ถือเอาการรู้อริยสัจเป็นเกณฑ์เนี่ยนะว่ามากว่าน้อยเอาตรงนั้นนะนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่เรียนหรือผู้ที่มีอาคมในที่นี้หมายถึงว่าฟังแล้วเอาไปใช้เอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้ ฟังแล้วเอาไปกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเป็นเนี่ยนะเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ต่อไปว่าการวินิจฉัยไตยสวนอัถะแม่ในคาถาหนึ่งคาถาชื่อว่าปริปุชชาเนี่ยนะก็ถ้าใครอยากจะดูว่าภาษาริบุตรเนี่ยนะท่านวินิจฉัยเอาไว้อย่างไรบ้างก็ดูในจูลนิเทศมหานิเทศนะเล่มหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะก่อนหน้านี้ เล่มหกสิบห้าหกสิหกหกิบเจ็ดเนี่ยภาษาลิบที่ท่านกว้างขวางแตกฉามมีความรู้มากนะแต่ว่าเอาดูนะว่าเรามีปัญญาหรือไม่สังเกตจากไปอ่านคัมภีร์เหล่านี้นะถ้าอ่านคัำพีเหล่านี้แล้วตื่นตาตื่นใจมีความสุขสนุกมากอ๋อมีปัญญาจริงแต่ถ้าอ่านแล้วพลิกไปสามหน้าแล้วก็หาวเรื่อยเรื่อยก็แสดงว่าปัญญาไม่ค่อยดีละะ ส่วนอธิคมคือการบรรลุโสดาปติผลสากท า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลชื่อว่าอธิคมส่วนการอยู่ในสํานักครูผู้มากด้วยสุตตะและปฏิพานชื่อว่าครุสามนิสัยแปลว่าอาศัยครูที่มีสุตตะและมีปฏิพานมากาสมัยพุทธกาลถ้าเป็นลูกศิษยพระธรรมริบุตรเป็นต้นก็หวังได้เลยว่าจะมีปัญญามาก แ, แต่ขณะเดียวกันนะก็บอกว่าอยู่กับครูที่มีความสามารถสูงมันต้องดูด้วยว่า เป็นกลุ่มที่เป็นลิ้นหรือทัพพีเหมือนกันเพราะว่าก็มีพระสมัยพุทธกาลที่ติดตามฟังพระพุทธเจ้ามากอ น, นะก็ไม่บรรลุอะไรหรอกก็มีพระภิกษุท่านมาจากที่อื่นฟังแล้วบรรลุเหาะปรับไปได้กันืนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าทัพพีนะถึงจะแช่อยู่ในหม้อกแกงมันก็ไม่รู้รสแกงหรอกเหมือนกันลิ้นเนี่ยแตะลายเออเอาแกงแตะลายลิ้นเนี่ยลิ้นก็รู้รสแกงฉันใดคนทานทั้งหลายแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตอยุ่นานขนาดไห น, นก็ไม่ได้ทําให้ฉลาดอะไรขึ้นหรอก คือคือขณะนั้นปัญญาเขาไม่มากนักหรอกแต่นี่หมายถึงว่าคนที่ที่มีความรู้ความสามารถหน่อยนะถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีก็ก็เรียนได้เร็วก็จะเก่งมากส่วนการให้มิตรเห็นตานั้นชื่อว่ามิรสมบัติหมายถึงมีมิรผู้มีสุตตะและมีปฏิภาณเนี่ยนะใครที่มีมิรลักษณะนั้นก็ทาให้มีมีความผ่องใสหรือมีความชัดเจนในปฏิสัมพิธาได้ บรรณาธรรมทั้งแปดประการนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายอาศัยปุบพโยคะและอธิคมแล้วบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาพระปัจเจกนะที่ท่านบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาเนื่องจากอดีต ท, ท่านอบรมสรัมถาวิปัสนาไว้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันท่านก็มาภาคเพียานบำเพ็ญจนบรรลุมรคผลเพราะการบรรลุมรคผลของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่นะเรียกว่าบรรลุมรคผลได้ปฏิสัมพิทาพ ร, ร้อมกันนะ ส่วนพระพุทธเจ้าก็ในยะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มีปฏิสัมพิทาเพราะอาศัยบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัเดียนะกับกับอะไรกับปัจจุบันนี้พระองค์บรรยุสัพพั์ยุตยานใช่ไมพระองค์จึงมีปฏิสัมพิทาส่วนพระสาวกทั้งหลายอาศัยเหตุเหล่านี้แม้ทั้งหมดจึงบรรลุปฏิสัมพิธา สาวกนะเหตุทั้งแปประการนะถ้าจึงจะได้ปฏิสัมพิธาอย่างพระสารีบุตรต้องอาศัยปุพพโยคะคือบำเพ็ญบุญมาแต่ปางก่อนอย่างหนึ่งแล้วพระสารีบุตรก็ต้องอาศัยการฟังเนี่ะฟังจากพระอัศจริช่ะไหมฟังจากพระอศัศจริชน์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ภาษาหลายภาษามากแต่ชานภาษาไม่รู้กี่ภาษาคนอินเดียนะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคนจะพูดได้สองสามภาษานะ อย่างน้อยได้เป็นสามสี่ภาษาหน่ะคนอินเดียนีภาษาที่อินเดียมันมีเป็นพันภาษาเขามีภาษามากจริงๆงพั้นพวกภาษาหรืออาคมเนี่ยนะภาษารีบุตรเป็นผู้ที่ฟังธําจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากอันนัคือที่ใช้คําว่ามากเพราะว่าท่านฟังแล้วท่านเข้าใจได้กว้างขวางแล้วภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่หมั่นสอบถามสูตรที่ภาษารีบุตรถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยนะภาษารีบุตรท่านก็เป็นผู้ที่ถาม แล้วก็ภาษารุบุตรเป็นผู้ที่มีการอาศัยการบรรลุมรรคผลภาษาริบุตรก็อาศัยครูดีคือใครศาสถาเทวมนุษย์สานังเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ภาษาริบุตรท่านมีกาลยา น, นมิตรแต่ละคนเนี่ยฉลาดทั้งนั้นเลยถามว่าภาษาริบุตรเนี่ยนะมีใครเป็นเพื่อนสนิทพระโมคขลานะถามว่าภาษาริบุตรนับถือใครบอกนับถือพระอ น, นุลนับถือพระอ น, นุลมากเลยเนะี่ย ถ้าภาษารีบุตรได้จีวรท่านจะเอาไปฝากผ่านนนท์ถ้าผ่านนนท์ได้จีวรจะไปฝากภาษารีบุตรถ้าถ้าอนนท์ได้ลูกศิษย์มาเนี่ยนะมีคนอยากมาบวชกับท่านเนี่ยผ่านนนท์จะพาให้ไปบวชกับภาษารีบุตรแล้วท่านเป็นคนสอนถ้าภาษารีบุตรมีลูกศิษย์ให้ผ่านนนท์เป็นอุปช า, า, นนานนเนี่ยนะจะจัการอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วผ่านนนท์เนี่ยเป็นผู้ที่ฝังมากภาษารีบุตรยังถามปัญหากับผ่านนนท์เลยผ่านนนท์ก็ถามปัญหากับภาษารีบุตรก็ถามกันกลับไปกลับมานะ ถามหาข้ออนุโมทนาสรรเสริญรื่นเริงกันไปนะตามภาษาคนที่อยู่ด้วยธรรมะนะของเราก็ยังถามกันด้วยจุดจุดจุดคิดตามนย